เรื่องนั้นก็ไม่สำคัญหากจะคิดว่าต้องรักกันไม่ต้องเอาใจใส่กับชีวิตที่มันเป็นไปเรื่องไหนก็ไม่สำคัญเพราะทุกวันก็คงเป็นยัง ใจอดทนไว้จนฉันทำใจได้จะไม่ยอ I Got t o n d กับชีวิตที่มั